ตรงออกตามสั้นฐานเลยพระพุทธเจากก้าสอนให้รูปกายรูปจิตกายเวทนาจิตธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ในกายของคนเราอยู่ในตัวคนเราแต่ละคนละคนกายกับรูปร่างกายนี่ย ผมคนเล็กปันหนังเนื้อในอาการสามสิบสองนีเป็นกายให้มีสติรู้อยู่ในอาการสามสิบสองนี่ไม่ให้ออกไปจากนี่เวทนาสุขทุกข์เฉยๆเนื้อความทุกข์ของกายเกิดขึ้นจิตก็เป็นผู้รับรู้จิตก็ทุกข์ด้วยกายก็ทุกข์ด้วยพอให้รู้ความทุกข์ ความสบายเกิดขึ้นเบากายเบาใจก็ให้รูปไม่ให้หลงไม่ให้ไปสําคัญ์มั่นหมายแบบเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาจิ้มเรียกว่ากายานุปษษัสนาเวทนานุปษษัสนาคือไม่ให้ออกจากนอกเรื่องของกายของจิตรวมว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่นมันก็อยู่ในกายในจิต เรื่องธรรมก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตจิตความนะึกคิดก็เป็นเรื่องของจิตเองเวทนาเวทนากายก็มีเวทนาจิตก็มีนี่มาอยู่ในกายในะจิตจึงว่าสติปฐานสี่ฐานที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตธรรม เพราะถ้าไม่มีสติแ ล, ล้วลึกลู่เดี๋ยวเจอความเมื่อยความหิวขึ้นมามันก็ทรงมุ่นวี่วุ่นวายไม่รู้เท่าสาคัญว่าเราหิวเราเมื่อยเราจะแตกจะดับจะตายไปอีกอ่วุ่นวี่วุ่นบายทั้งหมดนี่ท้าหาว่าไม่ทรงกิจออกไปนอกแก่กายกับกิจนี่ ให้มันแน่วแน่จนเกิดความชันนิชํานาญตั้งมั่นมั่นของรูกายรู้จิตของตนเองโดยแก่แจ้งเรื่องภายนอกมันก็ไม่ต้องไปตามรูเพราะมันเห็นภายในนี่แหละภายน อ, น, อ น, น, นอกก็เหมือนกันเนื้อนอกก็เหมือนในในก็เหมือนนอกแต่ท่านไม่ให้ไปเอาภายนอกก่อนเพราะมันเป็นเรื่องอยู่ที่ห่างไกลยิ่งให้ดูที่ใกล้ๆเนี่ยเห็นในตัวเองนี่แมันก็เห็น คนอื่นสัตอื่นโลกอื่นรู้โลกของกายของใจนี่ก็รู้โลกอื่นความนึกความคิดใครนึกใครคิดนึกคิดอยู่นี่เรารู้อยู่นี่ทํามารมอารมณ์ที่เกิดกับกิจอารมณ์ที่สัญจรมากิจรับ ร, รู้รับทราบเมื่อคิดปรุงแต่งไปมันเป็นสาย เกี่ยวเนื่องกันอยู่เพราะท่นพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติและลึกรู้ในอาการทั้งสี่อย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ให้หลงไม่ให้หลงไปตามว่าเป็นตัวตนหลงไปตามว่าเป็นตัวตนเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายแบบเกิดโทมนัสเกิดต้องขับแค้นใจเสียใจเหนียวแห้งใจทุกใจ เพราะไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเรื่องฝึกสติอันจึงว่าเป็นฐานที่ตั้งของสติอยู่ที่ไหนที่กายที่ใจส่งออกนอกบางคนก็เกิดมิมิตเกิดมโนภาพตามออกไปก็ทำให้เคลื่อน เกิดสัญญาเคลื่อนความจำเคลื่อนเกิดความนึกคิดเคลื่อนเกิดความเห็นเคลื่อนเคลื่อนจากความจริงจิงว่าเป็นกิตตวิปราธวามคิดผิดคิดทิวิปราธเห็นผิดสัญญาวิปราธจำผิดจึงมีโอกาสให้ผิดได้ถ้าออกจากนอกไปนอกจากการตะกิด เรื่องของจิตนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะมันพลิกแพงเพราะฉะนั้นถ้าไม่รอบครอบขาดครูบาอาจารย์หรือขาดอุบายที่ถูกต้องยิ่งมีโอกาสให้ผิดยากอธิถีวิป ร, ราชความเห็นผิดเข้าไปจากเหอนนกิน่ยิ่งเป็นตัวแก้ยากเหมือนกันมันกับครูทั้งหกทั้งพุทธการสงสัยเวรธตบุต ราณกัสปะมัคคิโกสามนค น, นาทบุตรศิตเกษตำคนผู้เรานี่มีความเห็นต่างๆกันแม้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็ไม่ยอมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมปฏิบัติตามไม่ยอมทำตาม เพราะตัวนี่มันเป็นตัวที่ปิดกั้นไว้ท่านจึงไม่บรรลุมรรคผลนิพพานไดน้ตัวเห็นผิดที่เป็นทิฏฐิมิปรราเห็นขาดเคลื่อนจากเหตุผลความกิงอย่างนี่คนหน้าทบุตรหรืน มัคคิริโศสารพวกที่เห็นว่า <c oughs> ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรอะไรจะเกิดก็เกิดเองอะไรจะมีก็มีขึ้นเองสุขจะเกิดก็เกิดเองทุกข์จะเกิดก็เกิดเองไม่มีอะไรเป็นเหตุไม่มีอะไรเป็นผลพวกหนึ่งก็เห็นว่าความสุขอยู่ที่ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากจะทำอะไรก็ทำไปมีความสุขความสบายใจเพราะชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไ ม, ม่มีเป็นกลามาสุขันนิการนิโยติดอยู่ในฝ่ายต่หรือพวกหนึ่งก็ว่าผู้มีความเพียรอดก้มามขันตนิระมาณตนให้ตายไปเลยก็เรียก ว, ว่าเข้าถึงนิพพานก็ได้หรือว่าดี ถือว่าเลือดกรเซิรอันนี้เรียกว่าพวกอาตากิรมัทฐานโยกเรียกว่าทรมานตนเสียเปล่าเาดี๋ยอดข้าวอดน้าอดอะไรไปอดให้ตายไปเลยอาตายไปเพราะความอดนี่ก็ถือว่าดีนี่ที่พุทธเจ้าว่าทรมานตนเสียเปล่า แต่บางคนก็เลยไปยึดเอาเรื่องนั้นมาพอว่าเออมาอดข้าววันสองวันหรือมาอดอาหารกินข้าววันละครั้งนี่ไม่เป็นอัตตะกิลมัทฐานโยกหรือก็เลยเข้าใจไปอย่างอันนี้มันไม่ใช่อัตตะกิลมัทฐนนโยกมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือความพอเหมาะพอดีกับสังขารร่างกายก็บรูรูเรื่องของกายของใจอากามันกําเริบมาก กายมันหนักเพราะความอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารก็ต้องลดต้องทรมานผ่อนลงไปกินมากแต่ความมั่วกงาห้านอนต้องอดต้องทรมานไม่ให้กิ น, นเป็นมันชิมาปฏิปทาหรืององพอเหมาะพอดีกับเรื่องที่มันเกิดมันเป็นที่จะแก้กัน มันไม่ใช่อัตกิรมธาธนโยกแบบพวกนี่คนที่เขาทำเขาอดให้ตายไปเลยไม่ต้องกินข้ากินมากให้ตายไปเลยแบบทอ่ว่าเป็นพระอรหันต์เรื่งแค่นั้นตางกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่เพราะเรื่องความเห็นมันผิดมันก็แก้ยกัเพราะเรื่องการขาดครูขาดอาจารย์ ที่เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจถูกต้องตามหลักสัจธรรมหรือผิดจากหลักสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีโอกาสให้เน้นชาได้คือเน้นชาต่อมรรคผลนิพพานคือต้องมาเวียนไหวกา้เกิดนี่นี่ดูกี่พกกี่ชาตุรา ย, ยุ่งยากกันอย่างนี้ แต่คนเราก็ชอบใจพอใจอยู่นี่แหละมันคึงว่าโรคอัน ต, าตารายรุนแางสรดอันคนเขาติดอยู่แต่ผู้รู้หาติดไม่แต่มันก็เป็นรั้มของสัตว์โลกเมื่อมันยังไม่ถึงที่ ก็รุ่มหลงหัวเมาอย่างพวกเราที่ยังพอมียังพอลือนหูเลือนตาอยู่บ้างคือนิสนาว่าเป็นโชคเป็นลาบอันประเสริฐยังรู้จากเหตุจากผลได้ยินทำคําสอนของพระพุธทธเจ้าอิศังธรรมมัตสวนังการได้ยินได้ฟังเรื่องอัดเรื่องทรรมก็เป็นลาบอันประเสริฐ โซมนุษสะปฏิราโภการเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติที่มีกิจใจยินดีในอัดในธรรมในศีลในทานในภาวนาเนี่เป็นรากอนันเปรตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กิตสังมัจจานะชีวิตต่างชีวิตที่จะเป็นอยู่ไปได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นท้องยากนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง เป็นของอยากเดี๋ยวอยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นมาก็ตายไปแลหลนั่งรถไปรถชนกันตายเนี่ยนี่อยู่ๆนั่งขับรถไปฟุบลงไปตายไปเลยอย่างนี้ก็มีนี่จึงว่าชีวิต ท, ที่จะเป็นอยู่หน้าทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเป็นของเป็นอยู่ได้ยาก เมื่อเรามีชีวิตอยู่มาถึงขนาดนี้แต่ว่าเป็นหลักอาศัยกิจโสพุท ธ, ธานุมุปาปโธตามที่จะได้เห็นองค์ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดขึ้นมาได้เห็นรูปเฉโชมของพระองค์ที่เป็นของที่เป็นไปหลายอย่า้ผู้ใดได้พบได้เห็นได้ ร่วมในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ลพระองค์พระองค์ก็นับว่าเป็นราักอันประเสริฐเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปรดยากนี่เพราะท่านพวกเราได้เือนหูเรือนตายังมีจิตใจระลึกถึงบาปถึงบุญถึงคุณถึงโทษก็นว่าเป็นรักเพราะท่านลงพยายาม พยายามสร้างให้เจริญขึ้นภาวนาประทานเทียนสร้างบุญให้เจริญภาวะทำให้เกิดซึ่งความดี <c oughs> เรียกว่าเพียนภาวนาคือสร้างบุญด้วยทานด้วยศีลด้วยการสุขจิตใจให้เกิดความสงบเยือกเย็นเป็นสุขนี่อะไรเรียกว่า ภาวนาประทานอนันรักษาประทานบุญกุศลที่มีแลกมีร่างกายอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องอเกี่ยเลียงรักษาและเพียรสร้างสิ่งที่เป็นบุญต่อไปไม่ทำระดับนี่ให้สุดลงไป เรียกว่าอนุรักษนาประทานเกิดมาได้ร่างกายดมสมบูรณ์เพราะบุญเก่ามีมาแลกก่อนำร่างกายนี้ไปทำกรรมทางกายทางวาจาทางกายนี้น ไ, ไปดื่มเหล้าเมายาแลือกระตุในทางไม่ดีทางกายก็เรียกว่าทำกายนี้ให้สุดลงไป เดีย๋ยวไม่รักษาบุญของตนเองที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ขาดอนุรักษนาประทานการรักษาเพราะเมื่ออาการนี่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะซุดลงไปตามจากมนุษย์สมบัติก็ลงไปเป็นเจริชานหรืออสุรกายเปรตสนรกนั่นเดี่ยวไม่รักษาบุญของตนที่มีมาแล้ว เป็นผู้ขาดอนุรักษนาประทานไม่มีการรักษาเมื่อบุญมีแล้วไม่รักษาตาดีๆมีแล้วก็ไม่ดูสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็ไปดูสิ่งที่มันเป็นโทษยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นโทษตานี่ยไปดูแต่สิ่งที่เป็นโทษมูมีดีๆแด้เพไม่ฟังเสียงอัดเสียงทม <c oughs> เ, เหตุเสียงผลไม่ฟังฟังแต่เสียงที่ไม่ดีเสียงที่ทําให้พุ่งเฟอเออเฮิร์มลืมตนลืมตัวเนะ่ะเดี๋ยวไม่รักษาบุญตาทาั้งสองไม่บอดี่กับเป็นบุญเนะี่ยหูทั้งสองไม่หนวกก็เป็นบุญเนะี่แขนทั้งสองไม่ทิ่การก็เป็นบุญนะขาทาั้งสองไม่ทิ่การกับเป็นบุญเนะ่ย นี่ทำอย่างไรบุญมีแล้วบุญเกิดแล้วให้เทียนรักษาด้วยอนุรักษนาประธานคือรักษาอย่าให้มันไปทำกรรมไปทำบาปทางหูทางตาทางแขนทางข า, า, งขง า, งขาคือไม่ให้ไปทำบาปเพราะตาเพราะหูเพราะมือเพราะเท้าเป็นการรักษา ปหานประทานเมื่อบาปอะไรมีอยู่ก็เพียรพยายามชำระออกไปแก้ไขปดเปรื่องไม่ให้เกิดขึ้นความพยาบาทบาทอาฆาตไม่กิดนี้ก็สอนด้วยสติปัญญาโดยเรื่องของธรรมเพื่อให้เกิดความอภัยความเมตตา ใจจะได้สบายไม่มีพยาบาทอาฆาตนั่นเรียกว่าเพียนประหัดประหารบาปที่เกิดขึ้นมันหมดไปสังวรประทานเพียนระวังรักษาบาปที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นรักษาตารักษาหูรักษากายรักษาใจ นี่มันไปยินดียินร่ายนี่เรียกว่าความเพียรทั้งสี่อย่างเป็นความเพียรอันยิ่งมีความระมัดระวังอยู่เพียรดูมีเรื่องของธรรมะ เรื่องของบาปของบุญก็อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจอยู่ที่ไหนเพราะสำคัญออกนอกก็าจา่งเสืนี่ผิดสร้างบา ร, รมีทำเป็นบารมีมันถึงจะเกิดสมบัติโตอเคสมบัติ สมบัติปัญญาสมบัติเกิดขึ้นจากการกระทำเกิดจากเหตุอาศัยเหตุมีเหตุจึงมีผลเหตุดีผลดีเหตุยังมีผลก็ยังคงอยู่เหตุชั่วผลก็ชั่ ว, วมันตนน้นไม้ตนน้นไม้ประเภทไหนเป็นไม้มีพิษผลมันออกมามันก็เป็นพิษ เพศไหนที่มันรวมสมบูรณ์ด้วยวิตามินเป็นอาหารผลมันออกมากับวิิโภครับทานกำลังดีเหมือนภาพมีเรียกว่า ม, มีต้นเหตุ ม, มีผลาสัยเหตุอาสัยผล พุทธเจ้าประกาศธรรมเป็นต่างๆสอน้วยเป็นต่างๆแล้วแต่ใครจะทำเรียกว่าเป็นเสรีธรรมเป็นอิสระเป็นเสรีธรรมนีกความเป็นอิสระความเป็นเสรีนี่เป็นธรรมประจาโลกนีม่มาแต่ไหนแต่ไรมนาะไม่มีกิต ด, ดวงใดใจดวงใดที่จะต้องการความบังคับกดขี่ผห็ง เพราะฉะนั้นทมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้จึงเป็นธรรมต่างๆให้รู้เข้าใจและพอพอใจในการดาเนินประพฤติปฏิบัติเป็นผลเกิดขึ้นเฉพาะตนนี่จรีว่าปัจเจตตังว่าขาโตพรควตาธโมทมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ชอบแล้วสันติที่โกจะต้องเป็นผู้เห็นเองรู้เอง อาการิโกให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาเอฮิปัสโกเป็นธรรมที่ควรน้องเรียกเข้ามาสู่ใจโอปานายิโกน้อมเข้ามาสู่ใจธรรมที่จะล่องเรียกผู้อื่นให้มาดูได้มาพิสูจน์ได้คือปฏิบัติพิสูจน์ได้แม่ก็จะเห็นโดยตนเองเอฮิปัสโกโอปานายิโกน้อมเข้ามาสู่ใจ จะตางจะรู้ได้เฉพาะตนไม่มีใครมายกให้ทำให้เหมือนคำสอนอื่น <c oughs> นี่จริงว่าเป็นอิสระพัรมเสรีธรรมที่ทำคำสอนของพระพุทธเจา้าให้ทำจริงๆจะได้รับผลจริงๆเหอนผลจริงๆ ทำเพนสีนตั้งใจภาวนาทำจริงๆ ก, ก็เกิดความสงบกิดใจทำเพนสีนจริงๆ ก, ก็เป็นผู้ไม่มีโทษน้อใหญ่เป็นของจริง <c oughs> รมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนเป็นของกิงนเป็นความกิงผู้ปฏิบัติจริงก็จึงกิงต่อกันบบนี่แหละรมเหล่านี้มาได้ยินได้ฟังแบบนำไปประพฤติปฏิบัติรมจริงๆไปจะได้รับผลจริง